ส่วนที่เราสาธยายเมื่อสักครู่นะเป็นท่าดำรัสของพระพุทธเจ้าซึ่งเน้นให้เรามีความภาคเพียรเพื่อให้ถึงพร้อมซึ่งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทขอาประโยชน์ตนนี่ต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ได้หมายถึงผลประโยชน์ มันคนละเรื่องกันเลยนะเพราะประโยชน์ตนที่ท่านที่พระพุทธองค์ได้พูดถึงเนี่ยมาถึงประโยชน์ในทางธรรมนะเวลาเราพูดถึงผลประโยชน์นี่มันจะเป็นเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องของชื่อเสียงเป็นเรื่องของอำนาจซึ่งมันเป็นเรื่องทางโลกแล้วก็ตอบสนองกิเลสมากกว่านะแต่ประโยชน์ตนนะที่พระเจ้าตร์เนี่ยท่านนี่นหมายถึงว่า การรักษาจิตใจไม่ให้อกุสโสรรมอกุธรรมครอบงําการทําให้กุสโสรธรรมเจริญงอกงามมากขึ้นหรือว่ารักษาใจของตัวไม่ให้ความทุกข์มันบีบคั้นนะรักษาจิตใจไม่ให้ถูกปัททุสลายจิตมันถูกปัททุสลายด้วยอะไรนะก็ถูกปัททุสลายด้วยกิเลสได้แก่โลภะโทสะโมหะหรือว่า ัหามานาทิถิคนที่ไม่รักตนนะก็คือคนที่ไม่รักษาจิตใจของตนปล่อยให้โลภะโทสะโมหะนะมันครอบงำใจการทำกายทุจริตก็ดีนะวจีทุจริตก็ดีหรือมโนทุจริตหรือการทำความชั่วทางกายวาจาใจนี่ถือว่าทำร้ายประโยชน์ตนนะบัทฑรประโยชน์ตน พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ทําเช่นนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทํากับตัวเองดังศัตรนะูคนที่ทําชั่วทางกายวาจาใจเนี่ยเหมือนกับเท่ากับว่าทํากับตัวเองประหนึ่งเป็นศัตรูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการรักตัวเองเป็นการทําประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะ ผลประโยชน์ตนที่พระพุทธเจ้าพูดถึงนี่มันจึงต่างจากคนที่ดิ้นร น, นขนขวายเพื่อรักษาผลประโยชน์หรือเพื่อขยายผลประโยชน์ของตนให้เพิ่มพูนมากขึ้นอันนั้นเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นจากการทําชั่วหรือว่าการสนองกิเลสปล่อยใจให้ถูกบีบคั้นด้วยตัณหามานาทิฏฐิเรื่องการทําประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมนี่นะ ถึงที่สุดก็คือการทำให้จิตเนี่ยเป็นอิสระจากความทุกข์ปลอดพ้นจากอาวิชชานะเข้าถึงความสงบเย็นนะอย่างอย่างแท้จริงนะก็คือถึงนิพพานนั่นเองที่สุดของประโยชน์ตนก็คือพระนิพพานนะแต่ว่าในขณะที่เรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นนะเราก็ควรหมั่นรักษาใจของตัวอยู่เสมอ ไม่ให้ความทุกข์หรือกิเลสครอบงำไอการรักษากายนะไม่ให้เกิดความทุกข์ทุกวันนี้นะก็ทําได้ง่ายแต่ว่ายังไงมันก็ต้องเจอทุกจนได้นะทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความเจ็บความป่วยยังไม่ต้องพูดถึง ชื่อเสียงทรัพสมบัตินะซึ่งไม่ว่าจะรักษาอย่างไรก็ไม่อาจจะรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืนเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็ผันผวนแปรปรวนมีคนแย่งชิงไม่ว่าเราจะปรารถนาให้ชีวิตของเราเนี่ยประสบความสุขความเจริญราบรื่นอย่างไรชีวิตของเราก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปตามความปรารถนาของเรา จะทำบุญ7วัด9วัดนะขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญก็ไม่ใช่ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะประสบสุขนะดังที่ได้ตั้งจิตเอาไว้เพราะว่าความไม่เที่ยงความผันผวนแปรปรวนของชีวิตนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วสิ่งสำคัญจึงอยู่ที่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย เราจะรักษาใจให้ไม่ทุกได้อย่างไรอันนี้คือการทำประโยชน์ตนนะเป็นการรักษาประโยชน์ตนเมื่อมีเหตุร้ายเมื่อมีอะไรมากระทบในทางที่เป็นไม่น่าพอใจนะแม้ว่ากายจะทุกแต่ว่าใจไม่ทุกตามไปด้วยการทำเช่นนี้นี่แหละนะเรียกว่าเป็นการรักษาประโยชน์ตนอย่างหนึ่งเหมือนกัน นอกเหนือจากการทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะการทําความเพียรในการาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่นก็เป็นการเพิ่มผลประโยชน์ตนด้วยเหมือนกันไอ้ส่วนการทําความดีแล้วก็ทําไปแต่ก็อย่าไปคาดหวังว่าทําดีแล้วเนี่ยมันจะ เ, เจอแต่สิ่งดีๆตลอดเวล า, เาคนที่เข้าใจงั้นเนี่ยนะเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะว่าไอ้เรื่องไม่ดีมันก็สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้อยู่ตลอดเวลาทำบุญวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดตายขึ้นมาก็ได้นะไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วจะทำให้เราอยู่คําฟ้าหรือว่าจะทำให้เรายังอยู่ต่อไปได้อีกหลายปีมันไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าถึงแม ชีวิตมันจะไม่แน่ไม่นอนนะถ้าเรารักษาใจของเราหรือว่าเรารู้วิธีในการรักษาใจอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ทําให้ใจทุกข์ได้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าสุขหรือทุกข์นี่มันอยู่ที่เราเลือกนะมันอยู่ที่การวางจิตวางใจของเราไม่มีใครที่จะขโมยความสุขไปจากใจของเรา ไม่มีใครที่จะยัดเยียดความทุกข์ให้กับจิตใจของเราได้เมื่อสักปีที่แล้วหรือมั้งนะมันมีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะก็มีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยแกชื่อจอรนะ์นวันหนึ่งก็กำลังเดินเล่นอยู่บนถนนนะจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาผลักข้างหลังจนล้ม ทีแรกแกก็นึกว่าเพื่อนมาล้อเล่นแต่ที่ไหนได้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยซึ่งแกก็ไม่รู้จักนะเอามีดมาจ้วงแทงแกพอล้มแล้วเนี่ยแกก็ผู้หญิงคนนั้นก็แทงกระหน่ำแทงแกทั้งตามลำตัวทั้งแขนทั้งขาท้องโดนไปสี่สิบแผลแต่ว่ า, าดีที่ไม่แทงมากมากไปกว่านั้น พอแทงสมใจแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ทิ้งให้แกนอนจมกองเลือดอโชคดีที่มีคนมาเห็นแล้วก็มาช่วยพาส่งโรงพยาบาลรอดตายบุบบิตนะหมอต้องผ่าตัดหลายครั้งมากนะเพราะโดนไม่ต้องสี่สิบแผลพอแกรอดตายแล้วกส็สุขภาพก็ฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติ หรือว่าระหว่างที่ยังเจ็บป่วยอยู่ในรโรงพยาบาลนั่นแหละ น, ะนกกัก็มีก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์แกเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้คือก่อนหน้าที่ผู้หญิงคนนี้จะแทงคุณลุงจอ น, นี่เธอก็ไปฆ่าคนมาแล้วสามคนใช้มีดนี่แหละแล้วคนที่ตายก็ไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นอะไรกับผู้หญิงคนนี้เลยเพียงแค่แกอยากจะฆ่า เดี๋ยวนี้มันมีคนแบบนี้เยอะนะเพียงแค่อยากฆ่าเพราะรู้สึกว่าไม่ชอบคินหน้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีข่าวใหญ่โตทั่วโลกนะเด็กญี่ปุ่นอายุสิบห้าฆ่าเพื่อนตายแล้วก็ตัดคอด้วยนะเพื่อนในโรงเรียนชั้นเรียนเดียวกันเหตุผลก็คือว่าอยากฆ่าอยากฆ่าใครสักคนนะญงคนนี้ก็ ค, คล้ายๆกันนะก็ผู้หญิง ฆ่าคนตายไปแล้วนะสามคนแล้วก็แต่ก็มีอีกคนรอดได้โชคดีที่คุณลุงนี่แกไม่ตายเป็นรายที่สนีะ่ผู้สื่อขาวก็ไปสัมภาษณ์แกว่าเนี่ยอยากจะพูดอะไรกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าจับได้แล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ได้โกรธแค้นผู้หญิงคนนี้เลยนะคุณลุงจอนเนี่ยแกเพียงอยากจะถาม ผู้หญิงคนนี้ว่าทําไมถึงทําอย่างนี้บอกผมได้ไหมว่าทําไมถึงทําอย่างนี้แกไม่มีความโกรธเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เชี่ยเห็นว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ทําได้แต่ทําร้ายแต่ร่างกายของแกแต่ไม่สามารถทําร้ายจิตใจของแกได้จิตใจใแกก็ยังไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้มีความโกรธแค้นไรเลยเพียงแค่สงสัยว่าทําฉันทํำไมแล้วนักข่าวก็ถามต่อไปว่า เหตการครั้งนี้เนี่ยมันมันทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่าจะ ต, ตอบดีก็บอกว่ามันทาให้ผมได้คิดนะ่ามันทำให้ผมได้คิดว่าสักวันหนึ่งผมตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เดินเล่นอยู่ก็อาจจะโดนรถเมล์แล่นทับตายก็ได้ชีวิตนี้มันไม่แน่นอนเลยนะเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรามันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันทำให้ผลได้คิดว่าจะต้องทําสิ่งดีที่สุดในทุกวันก็คือว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นเองนะแก้ได้ข้อคิดตรงนี้นะซึ่งแสดงว่าแกรู้จักนะใช้ประโยชน์หรือหาประโยชน์จากเหตุการณ์ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เวลวร้ายมากเอากรณีนี้ น, น่าสนใจในที่ว่าหนึ่งแกไม่โกรธนะแกไม่โกรธผู้หญิงคนนั้น แม้ว่ากายแกจะทุกข์แต่ใจแกไม่ทุกข์ด้วยพราะแก่ให้อภัยนะแล้ประการที่สองเนี่ยนอกจากแกไม่ทุกข์ใจแล้วนี่แกยังได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์นี่คือมันเตือนใจให้แก่ไม่ประมาท ก, กับชีวิตนะทำชีวิตนี้ให้ดีที่สุดคนจํานวนมากเนี่ยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าเจอเหตุการณ์น้องๆเนี่ยอาจจะเบาว่า น, นี้เยอะเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่แค่ทุกข์กา ย, ยาเดี๋ยวทุกข์ใจด้วย แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากเหตุการณ์นี้อาจจะรู้สึกเสื่อมศรัทธานในความดีว่าทาไมถึงเป็นฉันนะฉันกุศลทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลและทาไมยังต้องมาเจอแบบนี้แสดงว่าทำดีไม่ได้ดีต่อไปนี้ฉันไม่ทำบุญนะไม่ทาความดีดีกว่าอันนี้หนักเข้าไปใหญ่เลยนะก็คือนอกจากจะทุกข์ใจแล้วนี่ก็ยังเกิดวิชชาทิฏฐิหรือเกิดความาเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่อง และการทำความดีคนเราเนี่ยนะถ้าเราฉลาดในการรักษาประโยชน์ตนเนี่ยเมื่อ เ, เจอเหตุการณ์ทํานองเนี้หรือว่าน้อยนอยน้องๆแบบนี้ก็ตามเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทําคือรักษาใจไม่ให้ทุกไอ้กายเนี่ยมันเจ็บไปแล้วนะหรือว่ามีการขโมยของทําลายทรัพย์สินรถยนตนะ์โกงเงินไปแล้วเนี่ยอาจจะเอากลับคืนมาไม่ได้แล้ว เสียสรัพย์ไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักรักษาประโยชน์ตนเราก็ต้องรักษาใจของเราเนี่ยไม่ให้ทุกข์แล้วก็ดีกว่านั้นก็คือว่าหาประโยชน์จากมัน <c oughs> มองหาประโยชน์จากมันให้ได้อันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการบ้านนะของนักปฏิบัติธรรมเลยไม่ว่าเจอเหตุร้ายยางไงก็ตามเนี่ยหนึ่งรักษาใจไม่ให้ทุกข์และสองเนี่ยพยายามหาประโยชน์จากมัน อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าไม่ขาดทุนแล้วก็ได้กำไรเรื่องราวของเค้ที่พูดเมื่อวานนี้ก็คล้ายๆแบบนี้นะก็คือเธอโดนน้ำสดน้ำกรดสาดหน้าเสียโฉมตาบอดอนาคตกระพริกผันเลยแต่หลังจากเธอตั้งตั้งตัวได้นะผ่านไปสองสปีก็ตั้งตัวได้หลังจากที่ทุกข์มากก็วางจิตวางใจได้ถูกคนมาถามเธอว่า โกรธแค้นผู้ชายคนนั้นไหมเธอก็บอกว่าไม่โกรธเลยขอบคุณเขาด้วยซ้ําการที่เธอผู้เช่นนี้ได้ก็แสดงว่าเธอสามารถที่จะปล่อยวางปล่อยวางไม่เครียดแค้นผู้ชายคนนี้ถ้าเธอเครียดแค้นนี้เธอก็จะเจ็บปวดนะจิตก็ของเธอก็ยังถูกทําร้ายต่อไปได้วยความแค้นความพยาบาทแต่เธอปล่อยวางอาจจะเพราะว่าเธอให้อภัยเขา แต่เธอไม่ได้แค่ปล่อยวางหรือรักษาใจไม่ให้ทุกข์นะแต่ว่าเธอยังทํามากกว่า น, นั้นก็คือว่ามองเห็นประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือเหตุผลที่เธออยากจะเธอพูดว่าเธออยากจะขอบคุณเขานะเพราะว่าประการแรกมันทําให้เธอได้มีเวลาอยู่ครอบครัวมากขึ้นแล้วข้อที่2คือมันทําให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่ได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนแม้กระทั่งหน้าตานี้เนี่ย ถึงไม่เสียวันนี้หรือเสียเมื่อวานนะยังไงก็ต้องเสื่อมไปตามกาลลเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยวางดีกว่าอย่าไปยึดติดถือมั่นกับมันเธอได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์นี้คือมันสอนให้เธอได้เรียนรู้การปล่อยวางแล้วก็ทําให้เธอปล่อยวางเรื่องอื่นได้ง่ายด้วย น, นเธอไม่ค่อยเธอไม่ไม่แคร์ละ ว, ว่าคนเขาจะมองเธออย่างไรแต่ก่อนเธอนี่หวั่นไหวกับสายตาคนมากนะ อยากให้คนชมว่าฉันสวยเพราะเธอสวยจริงๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนจะมองว่าหน้าเธอหน้าตาเธอน่าเกลียดยังไงเธอก็ไม่ได้วันไวใจเป็นทุกข์เลยเธอไม่เคยซ่อนหน้าตาของตัวเดินทางก็เดินทางด้วยรถไฟฟ้านะใครก็จะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ว่าเธอไม่ทุกข์เพราะเธอปล่อยวางนะ ไม่เอาความสุขของตัวไปผูกติด ก, กับสายตาของคนอื่นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คนสมัยนี้ทําได้ยากนะโดยเฉพาะวัยรุ่นหลายคนเนี่ยทุกข์มากจาก facebook เพราะว่าไม่มีคนกดไลคนะ์เพียงแค่ไม่มีคนกดไลค์นี่ก็ทุกข์ลวไม่กดไลค์ไม่พอดันคอมเมนต์อีกนะยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่มีบางไลน์นี่ไม่ใช่บางไลน์เยอะมากทีเดียวพยายามถ่ายรูปตัวเอง อัพโหลดขึ้นเฟซบุ๊กที่เขาเราเซลฟี่เซลฟี่เนี่ยบางคนนี่วันหนึ่งใช้เวลาเป็น 6-7 ชั่วโมงนในการถ่ายรูปหน้าตาตัวเองเพื่อจะให้รูให้ได้รูปที่ดีที่สุดเอาขึ้นเฟซบุ๊กเพราะอะไรเพราะไปไปแคร์สายตาคนคนอื่นอยากให้คนอื่นเขาชมว่าฉันหน้าตาดีว่าฉันหล่อฉันสวยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำร้ายตัวเองนะเพราะว่า มันไม่มีใครหรอกหนะ้าที่จะมันไม่มีคนที่จะชมเราไปตลอดหรอกมันก็ต้องมีคนตําหนิบ้างแต่ว่าสําหรับผู้หญิงคนนี้คือเ ค, ค้กเนี่ยเธอปล่อยวางและที่เธอปล่อยวางได้เพราะเธอได้เรียนรู้จากประสบการณ์นี้สองคนที่ว่านี้ก็อาจจะไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติธรรมนะในความหมายที่เข้าวัดน ะ, ะมาเดินภาวนามานั่งภาวนาอย่างเรานะแต่ว่าเขาก็ สิ่งที่เขาทำนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเขาได้เขารู้จักในการรักษาประโยชน์ตนนะจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไว้แล้วว่านะภาวนานะก็คือการเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีอันนี้หลวงพ่อคำเขียนท่านนิยามนะว่าการภาวนาเนี่ยหมายความถึงการเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีนะและสิ่งที่สองคนที่ทําเนี่ยแล้วก็อีกหลายคนที่เขาทําเนี่ยเขาก็คืออันนี้แหละ ก็คือว่าเปลี่ยนเหตุร้ายนี่ให้กลายเป็นประโยชน์นะให้กลายเป็นคติเตือนใจสอนใจหรือช่วยทําให้จิตใจนะเกิดความไม่ประมาทคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยต้องรู้จักนะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหรือว่าเปลี่ยนเคราะห์ให้กลายเป็นโชคหลายคนเนี่ยนะพยายามทําบุญเพื่อว่าชีวิตจะไม่ได้เจอเคราะห์แต่ก็อย่างที่บอกนะว่า ไอ้เคราะห์เนี่ยมันยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแน่มากหรือน้อยช้าหรือเร็วเพราะมันเป็นธรรมดาโลกถ้าคนที่เป็นวิสัยวิสัยของบัณฑิตเนี่ยไม่กลัวเคราะห์นะเพราะว่ารู้ว่าหนึ่งมันเป็นธรรมดาสองเขาเขามีเขารู้วิธีในการเปลี่ยนเคราะห์ให้กลายเป็นโชคที่จริงเนี่ยเคราะห์กับโชคเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมันเนี่ยเคราะก็กลายเป็นโชคได้ และในทางกับการโชคก็กลายเป็นเคราะห์ได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันมีเรื่องเล่าว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะทําฟาร์มนะก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็เลี้ยงม้านะมีม้าหลายตัวทีเดียวแล้วเขากา็ทำไล่ด้วยไล่ข้าวโพดไล่ข้าวสาลีนะอันนี้เกิดขึ้นในเมืองนอก แล้ววันนี้คืนดีม้าตัวเก่งเนี่ยตัวตัวงามเนี่ยมันก็เกิดเกิดออกจากอคอกไปแล้วก็หายเข้าไปในป่าใครๆก็ว่าเนี่ยเออเจ้าของฟาร์มเจ้าของขอคอกมานี่สวยนะเจอเคราะหะ์แล้วบอกกัว่าวันต่อมาไอ้ม้าตัวนี้เนี่ยมันออกมาจากป่าและแถมมันพาคู่ของมันออกมาด้วยเป็นม้าป่าเป็นม้าป่าที่สวยมากเลย เพื่อนบางนก็พูดว่าเออเขาโชคดีนะได้ม้ารูปงามนะมาตัวหนึ่งม้าป่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝึกให้มันเชื่องก็ให้ลูกให้ลูกชายเนี่ยอสอนมาตัวนี้ลูกชายก็ควบขี่ม้าตัวนี้ไอตัวใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันพยศสะบัด ต, ตกลงมาขาหักชาวบ้านก็บอกว่าโชคร้ายนะสองวันต่อมา พัสดีนะมาในหมู่บ้านแล้วก็เกณฑ์ชายหนุ่มไปเป็นทหารเพราะว่ามีการประกาศศึกสงครามไอ้ชายหนุ่มทุกคนนะที่สุขภาพดีถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารหมดเลยยกเว้นลูกชายเจ้าของฟาร์มคนนี้เพราะว่าขาหักคนก็เลยบอกว่านี่โชคดีนะขาหักกลายเป็นโชคดีนะม้าหายเนี่ยกลายเป็นโชคดีเพราะว่ามันพาม้าตัวใหม่มาโชคกลายเป็นเคราะห์แล้วเคราะกลายเป็นโชคโดยที่ บางทีเราไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ว่าถ้าคนฉลาดเนี่ยนะบางครั้งเราต้องทําหรือเปลี่ยนเคราะหให้กลายเป็นโชคให้ได้อย่างตัวอย่างสองคนนี้เนี่ยเขาก็ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนคราะหให้กลายเป็นโชคนะก็คือทําให้อ่าเขาได้ข้อคิดในทางธรรมหรือบางคนเนี่ยนะอ่าเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งนี่้ายๆก็ว่าเป็นคราะหทั้งนั้นแหละแต่ว่า ก็มีผู้ป่วยมะเร็งหลายคนที่หลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่ปีก็บอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งขอบคุณที่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งทำให้เขาได้พบธรรมะหรืออย่างคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะเอยชื่อก็รู้จักสตีฟจ็อบ s ์สตีฟจ็อบนี่เคยถูกปลดออกจากบริษัทที่ตัวเองเป็น CEO กรรมาการปลดเลยนะออกจากบริษัท Apple ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วเขาเสียใจยมากแต่หลังจากนั้นผ่านไป10ปีมั้งเมื่อเขาพูดถึงเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะมันทําให้เขาได้ไปไปทําอะไรใหม่ๆนะไปบุกเบิกกิจการใหม่ๆซึ่งทําให้เขาได้ความรู้ได้ประสบการณ์แล้วเมื่อเขากลับมาบริหาร Apple อีกครั้งนึ่งเนี่ย เขาสามารถทำให้มันเจริญรุ่งเรืองพังงาขึ้นมาจากบริษัทที่ทำท่าจะเกือบจะขายทอดตลาดไปแล้วหรือเกือบจะถูกแยกขายเป็นชิ้นส่วนย่อยๆให้กับ IBM บ้างบริษทัทอื่นบ้างเขาก็ทำให้ Apple นี่กกายเป็นบริษัทที่ใหญ่มีอีกลายหนึ่งนะเป็นชาวหนุม่มเนี่ย อ, อพยพมาจากแถวเนียแถวยูเครนมาอยู่อเมริกาก็ดิน้นรนสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่ง เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์แล้ววันหนึ่งก็ไปสมัครกับ y ย h o ู y ย h o ูนี่ก็เป็นบริษัทใหญ่มาก y ย h o ู Yahoo. ไม่รับเขาไม่รับแล้วทำงานตกงานตกงานเขาก็เวลาส่วนหนึ่งเขาก็ไปเที่ยวแล้วเวลาส่วนหนึ่งเขามีเวลาว่างเยอะก็เลยพัฒนาโปรแกรมเขาเลยแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่เขาพัฒนานี่มันตอนหลังมีชื่อมากเนีย ในเมืองไทยจะไม่มีชื่อแต่เมืองนอกนี่มีชื่อมากคือ WhatsApp นะวอทช์แนี่ก็เหมือนกับไลายบ้านเราไอ l ล n e นี่มันใช้ได้มันเป็นที่นิยมเฉพาะไทยญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันแต่ทั่วโลกเนี่ยเขาใช้ WhatsApp กันเขาไม่ใช้ l ล n e ไอชายหนุ่มคนนี้เนี่ยวันดีคืนดีก็ถูกทับทามจาก y a h o ูบอกขอซื้อได้ไหมขอซื้อพิทธิตขอซื้อกิจการเลยเขาขายนะ สีร้อยกว่าล้านดอลลาร์หมื่นกว่าล้านบาทเขาบอกนี่เออถ้ายูทูรับเขาทำงานนะ <laughs> เขาคงจะไม่มีคงจะไม่รวยขนาดนี้นี่เขาตกงานเพราะยูทูไม่รับเขาก็เลยมีเวลามามาพัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็ก็เลยรวยขึ้นมานะเป็นหมื่นล้านเลยนะอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนคล้อยเป็นโชคนะ ที่พูดมานี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องทางโลกโลกนะแต่ว่าในทางธรรมก็มีคนที่สามารถจะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมได้อย่างนางปตจราซึ่งเสียคนรักทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกสองคนที่แรกเสียสามีก่อนแล้วก็เสียลูกแล้วก็เสียพ่อเสียแม่ทรัพสมบัติของพ่อแม่ก็ถูกไฟเผาไหม้หมดเพราะฟ้าผ่า จนทั้ ง, งเธอเป็นบ้าเกือบจะเป็นบ้าแล้วผ้าผอนหลุดลุย่ยแต่ว่าพอมาเจอผู้เจ้าผู้เจ้าแสดงธรรมดยการชี้เห็นถึงความทุกข์ของวัตตาสงสารเธอเจอทุกมาด้วยตัวเองก็เลยซาบซึ้งแก่ใจเลยนะคือคนที่ถ้าเกิดว่าสุขสบายดีนะมาพูดเรื่องความทุกข์นี้ก็คงไม่ซาบซึ้งนะแต่ว่านางปตจานี่ซึ้งมากเลย พระอาจาร์ตัดว่าเนี่ยว่าน้ําตาที่เกิดจากความสูญเสียพัดพร่างเนี่ยชาติแล้วชาติเรานี่มันมันมากเท่ากับน้ําในมหาสมุทรเลยนะน้ําในมหาสมุทรเนี่ยมันพอๆกับน้ําตาที่หลั่งออกมาเพราะความสูญเสียชาติแล้วชาติเรากี่ชาติอะกี่สงไขล่ละนักวิจารณนี่ก็เห็นภายในวัตตาสงสารเลยนะั้นเจ็ดดุดพ้นและเกิดปัญญา เป็นพระโสดาบันคือทําไม่เสียมากมายขนาดนั้นก็อาจจะไม่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก็ได้เพราะว่าพื้นเพลไม่ได้สนใจธรรมะเลย่เช่นนีก็นางกีสาวกตมีก็เสียลูกนะแต่ว่าความเสียลูกก็ทำให้เธอเนี่ยเข้าใจเรื่องความไม่จีรังของชีวิตนะทีแรกเธอเกือบจะเป็นบ้าเหมือนกัน อ, อุ้มศพลูกเพื่อไปให้ใครต่อใครช่วย ก็ไม่มีใครช่วยได้เพราะใครๆก็บอกว่าลูกเธอตายแล้วเธอก็ไม่ยอมรับไม่ยอมฟังจนถ้ามีคนแนะนําให้ไปหาผู้เจ้าที่แล้วผู้เจ้าก็เห็นสารรูปอันนีาการของเธอก็ไม่สอนนะหรือว่าสอนไม่ได้นะเรื่องอันที่จังทุกขังอนัตตาไม่เหมือนนางปตจลานี่ยังสอนนะผู้เจ้ายังสอนนางปตจลาแต่ว่านางกิสาขตมีผู้เจ้าไม่สอนพอใจไม่รับก็ เลยออกอุบายว่าเนี่ยช่วยเธอได้ช่วยทําให้ลูกฟื้นได้ถ้าเธอไปหาเม็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายเธอก็ดีใจไปหาทุกบ้านเนี่ยก็มีคนมีเม็ดผักกาดทั้งนั้นแต่ว่าถามว่ามีคนตายไหมก็พูดว่ามีคนตายบ้านนี้ก็มีคนตายบ้านนั้นก็มีคนตายมีคนตายกันทั้งนั้นเธอก็เริ่มค่อยๆเห็นแล้วว่าเออความตายเป็นของธรรมดาไม่มีใครที่ไม่สูญเสีย พอใจยอมรับได้ก็เลยพอใจเห็นตรงนี้ก็เลยยอมรับว่าลูกตายแล้วก็ลูกไปฝังแจแล้วก็ไปทูลไปกราบไปฟ้าผู้ดุจเจ้าตอนนี้แหละพระ อ, องค์ถึงแสดงธรรมนะว่าน้าป่าย่อมพัดพาผู้ที่หลงหลับหลายชั้นใดนะมัจุราชก็พัดพาผู้ที่ลหลงไหลในลูกในทรัพย์สมบัติในคนรักชั้นนั้นนางกิสาคณมีก็ บรรลุธรรมเลยนะเป็นพระโสดาบันอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมนะลำพังตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าอาศัยคำคำสอนคําแนะนําของพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนได้แต่บางคนนี่ไม่ต้องมไม่มีใครสอนนะเปลี่ยนเองอย่างนางสามาวดีนางสาวมาวดีเนี่ยเป็นมเหสีพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนรักมากจนกระทั่งนามมาคันธียาอิจฉา นางมาคันธิยาก็เป็นมเหสีพระเจ้าอุตเทนอิจฉาเป็นตัวร้ายนะนางมาคันธิยานี่เคยเคยหมายปองผู้เจ้านะแต่ผู้เจ้าปฏิเสธนางก็เลยโกรธแค้นรังเกียจผู้เจ้าแล้วก็เลยพลอยเกลียดนางสามาวดีนะเพราะว่านางสามาวดีนี่เป็นผู้ที่ศรัทธานในผู้เจ้ามากทําบุญให้กับคณะสงฆ์เป็นประจํา แล้วนางสาวมาวดีก็วันหนึ่งก็ถูกนา ม, มาคัธิยาหลอกให้เข้าไปในในคลังที่เก็บผ้าพร้อมกับบริสับริวารห้าร้อยห้าร้อย่แปลว่ามากนะไม่ใช่ห้าร้อยเปียกๆเลยนะแปลว่ามากพอนางเข้าไปในนั้นพร้อมกับบริวารก็ถูกถูกปิดประตูเลยนะถูกขังและนํามาคธิยาก็จุดไฟเผาเผ า, เผาทั้งคลังเลยนะทั้งปราสาทเลย โหดร้ายมากนางนะัสามาวดีนี่พอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รู้ว่าตายแน่นะเธอก็ให้อภัยนะให้อภัยนามาคันธยาจิตใจไม่โกรธแค้นเลยเทนะ่านั้นยังไม่พอนะเธอก็ทำกรรมฐานเอาเวทนาเป็นอารมณ์เวทนาคืออะไรก็คือทุกขเวทนานี่แหละ ใจกำลังเผาเนี่ยมันเกิดทุกขเวทนามากกายจ็บปวดมากแต่ว่าใจเนี่ยมีสติก็เอาเวทนาเนี่ยมาพิจารณาก็คือดูเวทนานั่นเองนะดูเวทนาแต่ไม่เป็นเวทนาเห็นะความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดก็เห็นถึงเห็นถึงความผันผวนเห็นถึงความทุกข์ของสังขาร แล้วก็นางก็แนะนําให้บริษัทบริวารทําอย่างนี้ด้วยนะคือให้อภัยนางมาคันธิยาแล้วก็เจริญสติเอาเวทนาเป็นอารมณ์แล้วก็ตายในกองเพลิงร่างนี้ดําเป็นตอตะโกเลยเมื่อมีคนมากราบทูลพระพุทธเจ้าเรื่องนี้พระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่าความตายของนางและบริวารเนี่ยเป็นความตายที่ไม่สูญเปล่า เพราะว่าทุกคนนี้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงจี่จิงนามมาสามเมาดีก็เป็นพระโสดาบันอยู่แล้วนะแต่ว่าเจอเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เลื่อนขั้นเร็วขึ้นพวกบริษัทบริวารบางคนก็เป็นแค่ปูุ้ชนนะแต่ว่าพอผ่านเหตุการณ์นี้ก็กลายเป็นโสดาบันหรือว่าเป็นสกิทาคา ม, มีอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนคราะให้กลายเป็นโชคนะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมคือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็อาจจะบรรลุธรรมเช้ากว่านี้ก็ได้ แต่ว่าพอเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทําให้จิตเนี่ยนะเอากรรมฐานเป็นที่พึ่งเลยอันนี้เรียกว่าได้โอกาสเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะต้องรักษาตนรักษาประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมนอกจากแม้กายจะปวดแต่ใจไม่ทุกนะเพราะว่าให้อภัยแลแผ่เมตตาให้ละแล้วขณะเดียวกันก็อาศัยกรรมฐานนี่แหละในการพิจารณาจนเปลี่ยน ทุกขเวทนาให้กลายเป็นปัญญาที่เห็นธรรมก็บรรลุธรรมขั้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยาการเปลี่ยนทุกขให้เป็นธรรมนี่สำคัญนะที่เราต้องรู้จักใช้รู้จักทาสม่ำเสมอเริ่มจากทุกเล็กๆ น, น้อยๆเช่นความปวดความเมื่อยยุงกัดหรือว่าแดดออกเจ็บเท้าไปจนถึงเวลาสูญเสียเงินทอง ทรัพ ส, สมบัติถูกคนต่อว่าด่าทอให้เราคิดว่าเราจะเปลี่ยนล้ายให้กลายเป็นดีเปลี่ยนข้อให้กลายเป็นโชคเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมได้อย่างไรอันนี้ก็ฝากเอาไว้น ะ, ะคานี้ก็พูดกันเท่านี้